เทศอบรมพระวันที่หนึ่งเดือนสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยยี่สิบสามเทศกันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้ดีพอประมาณฟังแล้วสม่ำเสมอและเด็ดตอนปลาย ปลุกใจดีไปตลอดตอนจบเทศแล้วมีต่อตอนปลายจนสุดเทพสิ่งที่เราแก้เราถอดถอนที่เราพยายามจึงเรียกว่าความเพียรดูเวลานี้ เป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในจิตใจของสัตว์โลกมานานแสนนานนับไม่ถ้วนในพบชาติหนึ่ ง, งของแต่ละบุคคลและสัตว์ตัวหนึ่งนั้นไม่มีอะไรยืดยาวยิ่งกว่าพบชาติที่ต่อเนื่องกันมาโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งเชื้อที่ฝังพืชไว้ภายในใจ พอฝังพืชไว้แล้วก็ออกมาเป็นตัวผลคือชาติแล้วก็ปิตุขาเลยล่ะที่ น, นี่สิ่งนี้ถ้าไม่มีผู้ฉลาดแหลมคมมาแนะนำสั่งสอนอุบายวิธีและชี้บอกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นภัยต่อสัตว์โลกอย่างไรนั้น จะไม่มีใครทราบได้เลยเพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดมากในไตรภพคือธรรมชาตินี่ละเอียดที่สุดมีพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เท่านั้นที่พยายามขุดคน้นบุกเบิกมาโดยลำดับลำดาและได้กลับจรุ้ถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆ คำว่าตรัตจรู้ก็คือรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้การพยายามประกอบบำเพ็ญบารมีหรือประกอบความเพียรทุกประโยคก็เพื่อจะแก้จะถอดถอนสิ่งนี้แต่ยังไม่ชัดเจนต่อเมื่อได้เข้าบำเพ็ญยวนถึงวาระที่จะผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้และ ได้ผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ไปแล้วโดยสมบูรณ์เรียกว่าอิตบริสุดเต็มที่เพราะหมดจากสิ่งเหล่านี้แล้วนั้นจึงสามารถรู้ได้อย่างชัดเจนและทรงบัญญัติตั้งชื่อตั้งนามจึิงเหล่านี้ว่าเป็นคือกิเลสนี้เป็นเรื่องใหญ่และแยกประเภทออกถึงเป็น หลากเงาเข้อมูลจริงๆคือจริงๆคืออะไ ร, นะ ค, ว ร, ค, วรความโลภความโกรธความหลงความหลงแสดงตัวออกมาจากอาวิชชาความอาวิชชาจริงๆแล้ ว, วมไม่ได้หลงตัวเองแต่ทำจัดโลกให้ลุ่มหลงได้เพราะอาวิชชานี่ท่านให้ชื่อว่ากิเลส คำว่ากิเลสนี้ไม่มีที่ที่อยู่นอกจา ก, กจิตของสัตว์โลกเท่านั้นอยู่กับกจิตสังอยู่ภายในจิตอย่างแนบสนิทไม่มีทางทราบได้ใครจะเรียนวิชาขแขนงใดจกไตรเพศมาก็าต่างในแหล่งโลกธาตุนี้ไม่มีทางที่จะทราบเรื่องเหล่านี้และ ไม่มีทางจะทราบวิธีการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากวิชาธรรมคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ท่านทรงดำเนินวิชาธรรมเท่านั้นที่จะสามารถทราบสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นภัยแก่ตัวเองและสัตว์โลกทั่วไปและพยายามคุยเขียขุดค้นแยกแยะด้วยอุบายวิธีต่างๆ มีศรัทธาวิริยะสะติสมาธิปัญญาเป็นสําคัญจนสามารถแยกแยะได้ดังพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันเป็นตัวอย่างทรงฝึกฝนอบรมพระองค์ทรมานจนถึงขั้นสลบสลายก็เพื่อจะแก้หรือปราบปรา์สิ่งเหล่านี้ที่เป็นไยัยให้ออกจากพระไทยแต่ก็ไม่สามารถเพราะไม่ถูกวิธี จนได้ย้อนกลับเข้ามาสู่อนาปานสติอันเป็นวิธีที่ถูกต้องพร้อมทั้งสมถะและวิปัจฉนาตลอดวิปัจฉนา ย, ายรวมอยู่ในขั้นนี้ทั้งหมดเพราะคําว่าอนาปานสตินี้มีทั้งขั้นสมถะมีทั้งขั้นวิปัจสนาและวิปัจสนาอย่างละเอียดโดยอาศัยอนาปานสติเป็นรากฐานแห่งสมถะ เนี่ยเมื่อละเอียดเข้าไปจิตใจก็ซึมทราบออกไปเป็นปัญญาพิจิตร์นะจนกลายเป็นนิปัตจนาญาณอันยิ่งสอนไว้ว่าพิจกำหนดลมหายใจเข้าออกคือการกำหนดลมเข้าออกในเบื้องต้นก็ทราบเพียงลมเข้าลมออกเท่านั้นต่อไปเมื่อกำหนด รู้อยู่ด้วยสติลมเข้าลมออกก็ค่อยแผ่เ บ, เบาลงไปแผ่เบาลงไปถึงขั้นละเอียดพอถึงขั้นละเอียดแล้วจิตสงบที่นั่นัน่ะความสงบนี้เป็นมาดฐานแห่งวิปัสสนาพระองค์ทรงถือเอาความสงบนี้เป็นมาดฐานหรือเป็นต้นทุนเป็นที่ก้าวขึ้นสู่ความแยบคาย ยิงเคลื่อนไหวทางกิริยาของจิตได้แก่พระปัญญาพิจารณาถึงเรื่องปัจจัยการอวิชชาปัจจัยสร้างขาา้ารสั้างข้ารปัจจยาวิญญาณมีเข้าสู่กระแสของจิตแล้วที่นี่โดยประสัดประสาน ก, น, กนกันกับส่วนร่างกายเพราะออกจากร่างกายแล้วก็ซึ่งเป็นอนาปานัติเป็นส่วนละเอียด ก็พิจารณาถึงเรื่องความเคลื่อนไหวของจิตที่แสดงมาเป็นสังขารซูมทราบมาเป็นสัญญาตลอดถึงแยบออกเป็นวิญญาณอะไรเหล่านี้ถอยหน้าถอยหลังหลายครั้งหลายหนด้วยความสนพระไทยอยากทราบความจริงที่มีอยู่นั่น ซึ่งกำลังแสดงความยิงอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนปัญญาย่อมทรงทราบได้เป็นลำดับลาดับจนสามารถแทงทะลุ ป, ปุปร่งไปหมด <c oughs> นั่นแหละนี่เรียกว่ายิปัตินาเคลื่อนย้ายจากฐานแห่งสมาธิคือความสงบแล้วก็แปลสภาพสู่ยิปัตสนายาน คือความละเอียดแห่งปัญญาจึงกลายเป็นนิปัญนาญันอย่างทราบสามารถทำลายกิเลสอาสวะซึ่งเคยหมักหมมหรือเคยฝังอยู่ภายในพระไทยของภู่มาเป็นนานๆให้แตกกระจายในขณะนั้นเช่นเดียวกับความมืดซึ่งเคยมีมาตั้งกับตั้งกันก็ตามแต่พอเปิดไฟฟ้าขึ้นเท่านั้นความมืดนั้น ไม่ได้มีที่อ้างไม่มีที่ยืนยันไม่มีที่ <c oughs> แข็งข้อได้ว่าข้าพเจ้าได้เคยมืดดำอยู่กับโลกอันนี้มาเป็นานานๆแล้วแม้จะเปิดไฟขึ้นมาข้าพเจ้าไม่ยอมหนีจากความมืดไม่ยอมกลายจากความมืดไปเป็นความสว่างพอไฟเปิดขึ้นเท่านั้นความมืดทั้งหลายก็กระจายตัวไป ท, ทันทีมีแต่ความสว่าง ขึ้นในขณะเดียวกันนี่เมื่อปัญญาได้อย่างทราบรอบจิตทุกด้านไม่มีมุมใดที่เหลืออยู่เลยแล้วความสว่างจ้าจิตที่บริสุทธิ์ก็แสดงขึ้นมาเต็มที่นั่นเรียกว่าท่านตรัสรู้และสิ่งที่เคยฝังจมมาให้พาให้เป็นพืช ความเกิดแก่เก็บตายมานานแสนนานก็ได้พังทลายลงแล้วด้วยวิปัชนาญันที่อย่างซาบละเอียดตรวถึงสลัดปัดทิ้งไปหมดด้วยพระปัญญาจึงได้ทรงนำธรรมนี้ออกมาแยกประเภททั้งกิเลสประเภทนั้นๆทั้งธรรมเครื่องกำจัดกิเลสประเภทนั้นๆจะควรทำอย่างไรต่ออย่างไรกัน จึงมีวิธีการมากมายตามแต่จริตนิสัยของนักปฏิบัติหรือพุทธบุริสัททั้งหลายจะชอบในวิธีการใดบรรดาวิธีการทั้งหลายที่ทรงแสดงไว้แล้วนั้นแล้วนำม า, าคิดปฏิบัติเช่นกรรมฐานสี่สิบเป็นต้นนี่ยกออกมาแยกออกมาเป็นอาการอาการ ซึงล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวิธีการที่จะทำกิจให้สงบและก้าวเข้าสู่นิพพานนาจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นได้เช่นเดียวกันมีมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นและมีวิชาธรรมนี้เท่านั้นที่สามารถทำลายสิ่งที่ลึกลับสังอยู่ปายในกิจให้เกิดเป็นพืชเป็นผล สืบเนื่องกันเป็นความทุกข์เหมือนลูกโซ่มาโดยลาดับนี้ดขาดกระจายาไปจากใจมีวิชาธรรมเท่านั้นไม่มีวิชาใดในโลกนี้จะสามารถทำลายสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากวิชาธรรมในวิชาธรรมทั้งหลายท่านก็สรุปความลงเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติย่นเข้ามาว่าศีลสมาธิ ป, ปัญญา ยต์เข้าไปจริงๆก็มีสมาธิกับปัญญานี่ซึ่งเป็นหลักใหญ่เพราะศีลเป็นผู้รักษาอยู่แล้วด้วยสมาธิเพื่อตล่อมจิตเข้ามาสู่ความสงบจะได้มีกำลังและมีความอิ่มตัวไม่วอกแวกคลอนแคลนไม่หิวหวยกับอารมณ์ต่างๆที่เคยสัมผัสชัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอในอารมณ์นั้นๆ เมื่อจิตได้รับการบาเพ็ญโดยทางสมถะจะเป็นวิธีใดบทใดบาทใดแห่งธรรมที่นำมากำกับใจเพื่อความเป็นสมถะก็ตามจิตย่อมมีความสงบตัวเข้ามาเมื่อจิตมีความสงบตัวเข้ามาแล้วย่อมมีพลังเพราะกระแสที่ของจิตที่สร้างไปในที่ต่างต่างนั้นรวมตัวเข้ามาสู่ความรู้ดวงเดียวคือจิต เมื่อจิตได้รวมกระแสเข้ามาสู่จุดเดียวย่อมเป็นกำลังและมีความอิ่มตัวไม่หิวไม่โหยกับอารมณ์ต่างๆที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ที่เคยหิวเคยโหยเคยโหยอยู่ตลอดเวลานั้นมีแต่ความอิ่มเอิบความสงบเย็นใจจากนั้นก็นำจิตที่มี ความอิ่มตัวในขั้นนี้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาจะพิจารณาเรื่องอธุพะอสุพังความปฏิกูลโสโครในสิ่งทั้งต่างๆในร่างกายของตนทั้งภายนอกภายในหมดทั้งร่างนี้และร่างกายของบุคคลอื่นสัตว์อื่นทั่วแดนโลกธาตุ หเห็นเป็นสภาพเหมือนกันนี่หมดนี่เรียกว่าวิปัสนาปัญญาจิตเมื่อมีความสงบตัวอิ่มตัวแล้วเราพาทำงานแยกแยะพิสูจน์จริงต่างๆโดยทางวิปัสนาย่อมยอมทำงานให้เราอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่ทะเทะลาถลหยเพราะความหิวโหวยฉุดลากไปเพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นเครื่องหนุนปัญญาลบล้างกันไปไม่ได้สมาธิกับปัญญาเป็นคู่เคียงกันเมื่อปัญญาได้พิจารณาส่วนร่างกายส่วนต่างๆย่อมจะซึมซาบเข้าไปถึงร่างส่วนทั้งหลายที่มีอยู่ภายในร่างทั่วถึงกัน จะพูดถึงเรื่องอสุภะคือความปฏิกูลโสโครในร่างกายทั้งภายนอกภายในเต็มไปทั้งทั้งร่างนี้ก็เห็นได้ชัดด้วยปัญญาจะแยกออกไปพิจารณาสิ่งภายนอกให้เป็นอสุภอสุภังเหมือนกันก็เป็นได้เช่นเดียวกันเพราะเป็นสภาพเหมือนกันแต่พิจารณาถึงไตรลักษณ์จะเป็นไตรลักษณ์ใดก็ตามไม่สำคัญไม่จำเป็นจะต้องพิจารณา ทั้งสมไตรลักษณ์ในเวลาเดียวกันเรามีความหนักแน่นมีความสนใจมีความถนัดในไตรลักษณ์ใดจิตย่อมสัมผัสสัมพันธ์กับไตรลักษณ์นั้นนำไตรลักษณ์นั้นเข้ามาพิจารณาเทียบเคียงเช่นอนิจจ์อนิจจังความแปรสภาพมันจะเห็นความแปรสภาพอยู่ทุกขณะของร่างกายและอาการของจิตเป็นที่ทราบซึ้งถึงจิตว่าเป็นความจริงอย่างนั้นแน่นอน ถูกขังก็เหมือนกันเรื่องความเป็นทุกข์มีตรงไหนที่ไม่เป็นทุกข์นั้นก็เป็นเหมือนกันก็ซึ้งในเรื่องของทุกข์ที่อยู่ในท่ามกลางแห่งความทุกข์แท้ๆจิตของเรานี้อยู่ในท่ามกลางแห่งความทุกข์ความทรมานความบีบคั้นบังคับอยู่ตลอดเวลาทําไมจึงนิ่นเงึงมันเถืงจึงว่ามันมีความสุขมันมีความสุขที่ไหนนอกจากมีแต่ลมแต่แล้ง หลักธรรมชาติแท้ๆจิตนี้ถูกบีบอยด้วยอนาจของกิเลสตัญหาพร้อมทั้งผลของมันที่แสดงออกมาให้เป็นความทุกข์ความทรมานใจนม่ผลิตออกเป็นร่างกายขึ้นมาเพราะพืชแห่งอวิชชานั้นมันก็คือก้อนแห่งความทุกข์แนี่เราพิจารณาแยกแยะไปอย่างไรมันก็เป็นทุกข์ไปได้ทุกแหนทุกแง่ทุกมุมตามแต่ความถนัดใจจนถึงกับซึ้งจริงๆภายในจิตใจนี่ จะพิจารณาเป็นอนัตตาเราจะหาสาระแก่นสารหาสัตว์หาบุคคลหาเราหาท่านหาของเราของเขาหาที่ไหนมันเป็นสภาพแห่งความจริงอันหนึ่งหนึ่งที่ปรากฏตัวอยู่เท่านั้นทำทั้งสามประเภทคือตรายักษณ์นี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าอาการเหมือนกับข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาของบุคคลค น, นเท่านั้นแต่อาศัยร่างกายเป็น นี้เป็นรากฐานข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายขวาออกจากร่างกายอันนี้นี่นวัตถุหนึ่งหนึ่งอาการหนึ่งหนึ่งนั่นเหมือนกับร่างกายแต่ไตรลักษณ์ก็อยู่ด้วยกันนะทั้งสามเพราะฉะนั้นการพิจารณาไตรลักษณ์ใดยินสามารถสืบทราบไปถึงไตรลักษณ์ทั้งหลายบ้าโดยไม่ต้องสงสัยสุดท้ายก็ลงในธรรมานุต่าไม่นอกเหนือไปจากนี้ได้เลย วิ่งเขาถึงนั่นทีเดียวมีการพิจารณาขอจงทำให้จริงให้จังของจริงมีอยู่แล้วในร่างกายและจิตใจของเราไม่เคยเสื่อมคลายไม่เคยสูญหายไปไหนไม่เคยด้อยไม่เคยลดความจริงของตนลงไปถึงเรื่องอันจังก็ดีทุกขังก็ดีอนั ต, ตาก็ดีถึงเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายความสลายพัก ภาคประการต่างๆมันก็มีสมบูรณ์อยู่ที่ร่างกายและจิตใจของเรานคําว่าจิตใจของเหล่านี้มันมีอวิชชาอยู่ในนั้นเราจึงต้องพูดอย่างนี้ถ้าบริสุทธิ์แล้วหยิตไม่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่นี้มันไม่บริสุทธิ์ธรรมชาติซึ่งเป็นสมมตินี้มันมีอยู่ภายในจิตใจจึงต้องเรียกถึงร่างกายจิตใจมันเป็นในจังทุกขลักษณตามๆกันไปหมดเพราะ ไตรลักษณ์มันก็มีอยู่ในใจใจมีสมมุิใจมีพืชใจจึงต้องเป็นสมมุติใจจึงต้องเป็นไตรลักษณ์ได้เราต้องแยกต้องแยกให้ถึงเหตุถึงผลถึงหลักถึงฐานของหมันถึงจะปลกเรื่องไปได้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราดําเนินอยู่เวลานี้ไม่มีอะไรขาดตกวบกพร่องหรือด้อยกว่าครั้งพุท ธ, ธาการที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านทรงบําเพ็ญและดําเนินกันมา พูดถึงเรื่องสติปัญญาก็ทรงสอนแบบเดียวกันการพิจารณาสภาวะธรรมต่างๆด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนก็ทรงสอนแบบเดียวกันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มีเหมือนกันสติเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการบำรุงเพื่อความสามารถแก่กล้าปัญญาเพื่อความเฉลียวฉลาดเช่นเดียวกันความชี้เกยียดชี้คร้านความอ่อนแอความทะเลทะลัยเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลส เหมือนกันหมดกับครั้งนั้นครั้งนี้ใครมีความขายันหมั่นเพียรใครมีความอุตสาหพยายาใครเป็นนักไถ่ครูนิพิจารณาทั้งข้างนอกข้างในอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยความมีสติผู้นั้นจะก้าวไปได้เร็วผิดปกติอยู่มากหลักการดําเนินให้ดําเนินอย่างนี้เราอยากคาดจะหมายมรรคผลนิพพานว่าจะอยู่ในสถานที่ใด นอกจากจะสนใจปุตค้นลงในวงแห่งศาสนาแล้ให้รู้แจ้งเห็นจริงในความจริงทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้เป็นเวลา 2,500 กว่าปีมาแล้วว่าทุกขังอริยสัจจังอืทุกเป็นของจริงสภาพเป็นสภาพแหงความจริงอันหสมุทัยอริยสัจจังสมุทัยก็เป็นความจริงอันคือกิเลสนั่นก็เป็นความจริงข้องหมัด มักฆะอริยสัจจงเครื่องดำเนินเพื่อแก้กิเลสปัญหาอสวรประเภทต่างๆก็เป็นความจริงอันหนึ่งนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์เพราะอนนาจแห่งมักทาหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้วก็เป็นธรรมของจริงอันหนึ่งให้ขุดค้นลงที่ตรงนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะกีดกันมรรพบิพาสจัดการสถานที่ไม่มีอานาจ เท่ากิเลสที่อยู่ภายในจิตใจของเราเป็นธรรมชาติที่กีดกั้นมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นจงฟาดฟันกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นสัตธรรมแต่และอย่างละอย่างนั้นลงที่ดวงใจของเราอันเป็นสถานที่อยู่แห่งกิเลสทั้งหลายนี้ด้วยมรรคคือสัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาซึ่งเป็นเรื่องของมรรคเอาให้ แต่แหลกแตกกระจายลงที่ตรงนี้คำว่า น, นิโรธคือความดับทุกนั้นเป็นสิ่งที่จะแสดงตัวขึ้นมาตามอำนาจแห่งมรรคที่ทำหน้าที่ได้มากน้อยเพียงไรถ้ามรรคมีกำลังเต็มที่คือสติปัญญามีความเดียดฉลาดสามารถปราบยิ่เลยดได้หมดคือโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนิโรธคือความดับทุกก็ดับสนิท เพราะกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นมันดับไปแล้วอย่างสนิททุกข์จะออกมาจากไหนจะเกิดมาจากไหนเมื่อต้นเหตุของทุกข์ดับไปแล้วนั่นมันอยู่ที่ตรงนี้ดูที่กายรวมลงมแล้วอยู่ที่ใจกายกับใจเป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องกันอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นถือหมดไม่ว่าจะเป็นอวัยวะส่วนใด เป็นเรื่องสมุทัยของกิจทั้งนั้นเพราะอำนาจแห่งอุปาทานอุปทาปทานสืบเนื่องมาจากความสําคัญผิดความรุ่มหลงเพราะฉะนั้นจึงต้องแก้กันด้วยสติปัญญามีศรัทธาหรือความเพียรเป็นเครื่องสนับส น, นุนทําให้จริงให้จังอย่าทำหรอแหละเรามีบกพร่องตรงไหนให้ทราบว่าความบกพร่องนั้นคือกิเลส ยาเข้าใจว่าความบกพร่องนั่นเป็นของดีเป็นอัดเป็นธรรมเช่นความท้อถอยท้อถอยความอ่อนแอความโงกง่วงความขี้เกียจอ่อนแอเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทบริวารของกิเลสทั้งหมดที่คอยกระซิบกระซาดคอยกล่อมเราให้พังให้เผอให้เคลิ้มหลับไปทั้งนั่งทั้งที่ทำความเพียรอยนั้นล้วนแล้วตั้งแต่ เป็นอุบายวิธีการของกิเลสทั้งมวลไม่ได้อยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่ใจในขณะที่เรากำลังประกอบความภาคเพียรอยู่นั่นแหละกิเลสก็อยู่ในที่นั่นด้วยถ้ามีสติสตังตั้งอยู่เมื่อไหร่เรื่องของกิเลสต่างๆก็ไม่แสดงความรุนแรงขึ้นมามากถ้าจิตแยบออกจากกงแห่งความเพียรเมื่อไหร่แล้ว เพิ่งทราบว่ากิเลสทําหน้าที่แทนความเพียรโดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นสิ่งสําคัญผู้ปฏิบัติตรงสังเกตอาการของกิตที่คิดปรุงแต่งในสิ่งต่างๆว่าเป็นเรื่องของสติปัญญาหรือเป็นเรื่องของกิเลสในขณะที่ประกอบความเพียรส่วนมากมักจะเป็นเรื่องของกิเลสออกแสดงตัวเพ่นพ่านอยู่บนเวทีแห่งความเพียรของเรานั่งภาวนา ได้หาความสงบไม่ได้ก็เพราะกิเลสทํางานจิตฟุ้งซ่านรําคาญทําให้เผลอไผลอยู่เรื่อยๆนั่นแหละกิเลสมันมาตัดมารำคาญมากีดมาขวางให้สติปัญญาขาดว่าขาดตอนผลที่จะพึงได้รับเป็นความสงบจึงไม่ค่อยปรากฏเพราะกิเลสมาทําการกีดขวางโดยที่เราไม่รู้สึกตัวอยู่ในขณะ ที่กำลังประกอบความเพียร น, นั่งสมาธิภาวนาอยู่นั่นแหละนั่นเดินจงกรมก็เหมือนกันถ้าคิดเถอคิดส่งไปไหนแปรอารมณ์อันใดร้อยทั้งร้อยเป็นอารมณ์ของสมุททยคือกิอเลสทั้งหมวแล้วเราจะหวังเอาผลคือความสงบเย็นใจหรือความแยบคายมาจากไหนเมื่อมีแต่กิเลสทาหน้าที่ของตนอยู่บนความเพียร ในท่าต่างๆในอิียบางต่างๆของเราแล้วเราจรึงควรคิดให้มากในสิ่งนี้เราทำของพระพุทธเจ้านั้นเราทราบแล้วและเป็นความความริงเต็มส่วนอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่เหนือกิเลสทำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เหนือกิเลสไม่เช่นนั้นไม่สามารถจะปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมือหรือให้สิ้นซากไปได้เราจงนำทำที่เหนือกิเลสนั้นเข้ามา ใช้อยู่เสมอเช่นสติปัญญาความเพียรก็ให้เหนือกิเลสความอดความทนก็ให้เหนือกิเลสสติที่ตั้งบังรักษาตัวเองก็ให้เหนือกิเลสปัญญาอุบายแยบคายต่างๆที่จะปลดเปรื่องสิ่งจอมปลอมคือกิเลส ท, ทั้งหลายออกไปนั้นก็ให้เหนือกิเลสเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพร้อมมูลไปโดยลําดับเหนือกิเลสอยู่โดยลํำดับแล้วกิเลสจะ ไม่มาทำงานบนเวทีแห่งความเพียรของเราได้เลยส่วนมากมีตั้งแต่กิเลสทำงานอยู่บนเวทีแห่งความเพียรของเราโดยที่เราไม่รู้สึกเรามีแต่หมายลมหมายแรงไปอย่างนั้นว่าเราทำความเพียรเดินจงกรมได้เท่านั้นชมมั่วโมงนั่งสมาธิภาวานาได้เท่านั้นชมมั่วโมง ประกอบความเพียรอยู่ในท่าต่างๆได้เท่านั้นชั่วโมงได้เท่านั้นนาทีเป็นที่เพียงความคาดความหมายความชิดเอาลมลมแรงแงหลัลกธรรมชาติแท้เราหาทราบไม่ว่าเวลาเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงในท่าในความเพียรท่าต่างๆนั้นมันวนแล้วต่้งแต่เป็นท่าความเพียรเป็นเป็นท่าของกิเลสมาทำงานอยู่ใน วงแห่งความเพียรของเราผลจึงไม่ค่อยปรากฏนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะคิดให้มากผู้ต้องการทาให้เหนือกิเลส ต, ต้องได้ผิดขึ้นเสมอได้ตั้งสติความเพียรหนุนตัวเองเข้าไปเสมอความอดความทนต้องให้เหนือกิเลสกิเลสจะทำให้อ่อนแอจะทำให้ที่แย่จะทำให้อ่อนเปียกไปหมดความความเพียรต้อง ให้มีความเข้มแข็งมีความขยันมีความอดทนนะั่มีความเข้มแข็งนี่แก้กันกันกบกิเลสประเภทนั้นนะความซึมเศร้าความไม่คิดอ่านความไม่เอาไหนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นโมหะคือกิเลสประเภทคราบงําให้มืดมิดปิดตาให้พยายามใช้สติปัญญาสอดส่องพินิจพิจารณาหาเหตุหาผลทั้งใกล้ทั้งไกลแยกแยะ ด้วยความรู้สึกมีสติเป็นเครื่องการรกับการพิจารณาของตนอยู่เสมอชื่อว่าเราทำความเพียรอยู่ในวงความเพียรไม่ใช่จิเลตมาทำหน้าที่ของเขาอยู่ในวงความเพียรหรือในบนเวทีความเพียรของหลักนี่เป็นหลักใหญ่ที่เราทั้งหลายจะพิจารณาให้ถึงใจผู้ต้องการจะมีความเฉลียวฉลาดเพื่อ ปราบปรามกิเลสให้อยู่ในเนื้อมือต้องผลิตความเสลียฉลาดให้ทันกับกุณมายาของกิเลสซึ่งมีความแหลมคมมากในโล ก, กธาตุนี้ไม่มีอุบายใดที่จะแหลมคมยิ่งกว่ากุณมายาหรืออุบายของกิเลสซึ่งเคยครองหัวใจสัตว์โลกมาเป็นเวลานานในหัวใจเราก็เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฉลาดเหนือหัวใจเราจึงได้ครองหัวใจเรา ทีเราพยายามที่จะเอานำสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนอันเป็นฝ่ายธรรมนี้เข้าไปชะล้างเข้าไปกาจัดเข้าไปปราบปรามเข้าไปทำลายให้สิ่งเนั้นสลายหายสูญไปโดยลาดับจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนั้นเลยเหลือแต่ธรรมรุ่นร้ว น, วนเป็นธรรมแท้ธรรมบริสุทธิ์ธรรมโดยหลักธรรมชาติเมื่อถึงขั้นนั้นแล้ว เรายิ่งรู้เรื่องได้ชัดเจนว่าอ๋อการที่ความเคลื่อนไหวไปมาของกิจแต่ละอาการอาการนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็ น, เ, ปนเครื่องเชิดของกิเลสทั้งหมดกิเลสดูฉากหลังแต่นี่พอกิเลสนั้นสิ้นไปแล้วอาการใดแสดงออกก็เป็นไปตามหลักธรร ม, มาชาติของตนขันก็เลยกลายเป็นขันล้วนๆเพราะไม่มีสิ่งมาบังคับ นอกจากทำซึ่งเป็นเจ้าของทำเป็นเจ้าของก็ไม่ได้ยึดขันทั้งห้านี้ว่าเป็นตนเราจรึงจะเห็นได้ชัดว่าไม่มีสิ่งใดที่จะก่อขวนหรื อ, อยุแย่ทําลายบีบคั้นให้รับความทุกข์มากน้อยนอกจากกิเลสเท่านั้นเมื่อกิเลสได้สิ้นลงไปจา ก, กจิตใจแล้วไม่มีอันใดที่จะมาทํำลายเลยไม่มีอันใดที่จะมาทํากิจให้กระเพื่อมไปด้วยความขุ่นมัว มั่วสุมหรือได้รับความทุกข์ความทรมานมีแต่ความเป็นอิสระอยู่โดยลําพังตัวเองโดยหลักธรรมชาติเป็นอาการนิปพิจิตอาการิกธรรมหาการสถานที่ไม่ได้เป็นหลักธรรมชาติอยู่นั่นตลอดอนันตกาลเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่สิน้นจากสิ่งกดขีบ่บังคับกลายมาเป็นจิตอิสระแล้วท่านจึงไม่หมายป่าช้า ไม่หมายการเกิดการตายไม่หมายไม่หมายสถานฐานที่นั่นที่นี่สูงสู ง, สงต่ำต่ำพบนั่นชาตินี่อะไรท่านไม่หมายเพราะท่านเจอความจริงความเหมาะสมความพอดีความอิมอ่มพอเต็มหัวใจแล้วไม่ได้หิ้วหวยเหมือนอย่างแต่ก่อนเพราะอำนาจของกิเลสพาให้สัตว์โลกหิวโหวยไม่มีความอิ่มพอเลยพอจิตได้เป็นอิสระเต็มที่ด้วยธรรม ทำกับจิตกลายเป็นอันเดียวกันแล้วจิตจึงหมดความหิวโหวยเป็นความพอตัวอยู่ตลอดเวลาไม่คาดโน้นคาดนี้อดีตอนาคตสถานที่นั่นทีน่นี้ซึ่งเป็นเรื่องของสมมุติที่เคยหลอกมานานเป็นอันว่าหมดปัญหาไปโดยสิน้นเชิงหรือแต่หลักธรรมชาติล้วนลวนนั่นแหละพระชินาศท่านทั้งหลายท่านเป็นอย่างนั้นเวลา ธาตุขันฉลาลงไปก็เป็นเรื่องของธาตุของขันฉลาตัวลงไปโดยที่ท่านทราบไม่รอบไม่รอบคอบหมดแล้วทราบไว้ตลอดทั่วถึงแล้วตั้งแต่ตรัสรู้แล้วโนบนบรรลุธรรมแล้วโนนเมื่อถึงการเขาจะทาหน้าที่ตามความถัดจริงที่ได้ทราบไว้แล้วกขจะมีปัญหาอะไรปล่อยลงไปตามสาภาพแห่งความเจรายเพราะมาจากสิ่งผสม เมื่อผสมกันแล้วก็ต้องสลายจากความผสมนั้นลงไปสู่ธาตุเดิมของตนเจตผู้ไม่มีความบกพอ่องต้องการสิ่งใดบรรดาสมมุติที่อยู่ในโลกแม้แต่ขันใดขันหนึ่งเป็นต้นย่อมเป็นจิตที่หายห่วงหายกังวลอนาละอยู่อดูด้วยความพอตัวไม่ต้อ ง, องพึ่งพิงอิงอาศัยอันไดอีกแล้วเพราะทั้งหมดนั้นเป็นสมมติทั้งหมด จิตนี้เป็นนิมุตตหลุดพ้นแล้วจึงไม่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ข้องแวะกับบรรณาสมมุติบดทั้งสิน้นเพราะได้รู้แจ้อองแทงตลอดหมดแล้วนี่คือผลแห่งการปฏิบัติทางด้านจิตตะภาวนาของผู้มีความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยจะไม่คาดไม่หมายถึงเรื่องพบเรื่องชาิ ว่าจะเกิดในสถานที่ใดพระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วหรือไม่นานเพียงไรจะไม่ไปยุ่งนอกจากทำงานอยู่ในวงสัจธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วอันเป็นธรรมของกิงแท้ของกิงของแ้สี่อย่างทุกดับไปแล้วเพราะสมุทัยดับไปด้วยอำนาจของมรรคมีสติปัญญาเป็นสาคัญนิโรธเป็นกิริยาอันหนึ่งแห่งความดับทุกข์ทั้งนั้น ผู้ที่รู้ว่าทุกสมุทัยวินิโรธทํางานสําเร็จเสร็จสิ้นลงแล้วนั้นคือผู้บริสุทธิ์ผู้นี้ไม่ใช่สัจธรรมเป็นธรรมชาติที่เหนือสัจธรรมนี้โดยประการทั้งปวงเพราะสัจธรรมทั้งสีนี้ยังเป็นสมมุติมากคือศีลสมาธิปัญญาก็เป็นสมมุติแต่เป็นสมมุติฝ่ายแก้เป็นสมมติฝ่ายปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าสึกคือสมุทยัยนิโรธก็เป็นสมมุติ ผู้ที่รู้ว่าทุกสมุทัยนี้โรธมากทำงานเสร็จโดยสมบูรณ์แล้วนั้นคือคือจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่ผู้นี้แหละผู้หมดปัญหาหมดลงที่จิตใจไม่หมดดูที่ไหนนะหมดดูที่จิตใจนี้เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นต้องพยายามทอดถอนหรือถอน ปราปรามสิ่งที่เป็นข้าศิกซึ่งหุ้มหอ่อปิดบังจิตให้มืดมิดปิดตานี้ออกให้สว่างขาจางแจ้งด้วยความภาคเพียงมีสติปัญญาเป็นสำคัญที่จะสามารถทราบหรือสามารถทำลายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้นี่เป็นจุดสำคัญของผู้บำเพ็ญเราเป็นนักปฏิบัติเป็นพระมีหน้าที่ที่จะรื้อถอน เลตปัญหาอาสวะออกจา ก, กจิตใจให้ถือว่างานนี้เป็นงานสําคัญสําหรับของพระเป็นคู่ชีวิตจิตใจของเราแท้คือความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นงานที่ชอบทำเป็นงานที่ชอบยิ่งเป็นงานที่เหมาะสมกับผู้มีความมุ่งมั่นต่อความพ้นทุกนอกจากนั้นเป็นกรณีพิเศษและมีหน้ำซ้ํายังย้อนเข้ามาเป็น ความกังวลและเป็นค่าสิทต่องานอันสําคัญนี้อีกด้วยจึงไม่ควรกังวลกับบานใดเฉพาะอย่างยิ่งในปัญษาสนหรับวัดป่าบรรตากนี้ได้เปิดโอกาสให้หมู่คณะประกอบความภาคเปลียนเป็นักน์กำลังความสามารถของตนโดยไม่ให้มีงานใดเขามายุ่งแม้แต่เวลาอื่นๆเราก็าระมัดระวังมากงานยากอันจะมาทาลายงานละเอียดเช่นมากยากเขีนมสมามากรรมตะ งานยาบจะมาทำลายสัมมากัมมันตะอันเป็นงานละเอียดงานละเอียดคืองานประกอบความเพียรเพื่อชำระกิเลสงานนอกนั้นจัดนั้นทำนี้ยุ่งไปหมดนั้นนั้นเป็นงานกลงลวลเราจริงไม่ให้มีถ้าไม่จำเป็นที่ต้องมีจริงๆเพราะงานนี้เป็นงานสาระสำคัญแกเรามากทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านได้หลุดพ้นจากทุกเพราะงานนี้ ผลของงานนี้คือความลุดพ้นของพระพุทธเจา้าผลของงานนี้คือความดุดพ้นของสาวกทั้งหลายท่านงานนี้หมายถึงงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาถือเกสาโรมานาขาทันตาแต่โจและอาการสาสองเป็นงานอันสาคัญพินิชพิจนาคลี่คลายให้เห็นตามหลักความจริงทุกสัตว์ทุกส่วนจะแยกทางเป็นอสุภเป็นทางอสุภะอสุภังก็รอบทิศรอบด่านไม่สงสยัย แต่แยกเป็นอนิจจังทุกขังนาตาในขันทั้งห้านี้เต็มอยู่แล้วด้วยอนิจจังทุกขังนาตาเป็นของจริงล้วนๆเป็นไตรลักษณ์ล้วนๆอยู่แล้วนอกจากปัญญาไม่เกิดหรือปัญญาเซื่ออยู่เท่านั้นจึงไม่มองเห็นความจริงที่มีอยู่เมื่อปัญญาได้ผิดตัวขึ้นมาสมควรที่จะทราบความจริงที่มีอยู่แล้วทําไมจะไม่ทราบได้ต้องทราบไดยโดยสมบูรณ์ไม่ต้องสงสยัยเมื่อทราบอนิจจังทุกขังนาตาทั้งพลาดทั้งขันทั้ง สิ่งที่สิงจะแทรกสิงอยู่ภายในจิตหรือซึมทราบอยู่ภายในจิตฟังจนอยู่ภายในจิตว่าเป็นไอนจังทุกขังหน้าตาด้วยกันแล้วเป็นสิ่งที่จะควรสลัดปัดทิ้งโดยประการทั้งปวงด้วยกันแล้วย่อมสิ่งเหล่านี้ย่อมจัดสลายลงไปด้วยอำนาจของปัญญาเช่นเดียวกันหมดจึงขอให้ท่านทลายมีความมั่นใจต่อคารประพฤติปฏิบัติหน้าที่การงานของตนอันเป็นความเหมาะสมแล้วนี้ ให้มีความเจริญด้วยความภาคเปลี่ยนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนให้ตดยาได้ลดละถือวันนี้เป็นที่พึ่งของเราแท้นอกนั้นไม่ใช่ที่พึ่งแม้แต่ร่างกายยังพึ่งมันไม่ได้นวันหนึ่งวันหนึ่งมันรบกวนเราขนาดไหนเห็นไหมเราไม่สังเกตบ้างหรือเดียเด๋ยวหิวเดี๋ยวกหายเดี๋ยวเจ็บนั้นปวดนี้รบกวนตลอดเวลาทั้งหลับทั้งนอนทั้งกินทั้งขับทั้งถ่ายทุวนแต่เป็นการรบกวนของธาตุองขัน ถ้าสติปัญญามีอยู่แล้วจะทราบความทัมผัสสัมพันธ์อย่างการกรบกวนนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วไหนจะมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราพรอจะภากภูมิใจกับสิ่งเหล่านี้นอกจากกิจที่จะถอนตัวออกจากความห่งยยวงใยผัวพันนี้โดยบริสุทธิ์พุทธโธและเป็นเอกสิทธิเป็นอิสระเสรีภายในตนเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่นอกจากเป็นที่มั่นใจมีเท่านี้เป็นหลักแห่งความมั่นใจของเรา ขอให้ทำต่างหลายมีความตั้ง อ, อกตั้งใจการแสดงธรรมขอ้อยู่เพียงแค่อุบายวิธีการใดที่ได้สอนลงไปนั้นเราเป็นที่แน่ใจสอนด้วยความแน่ใจให้ปฏิบัติได้เลยเราไม่สงสัยในการสอนหมู่เพื่อนว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราแน่ใจทุกบททุกบาททุกอุบายวิธีการ ที่ได้เคยปฏิบัติได้ได้เคยผ่านมาแล้วประจักใจนามาสอนหมู่เพื่อนจึงกล้าพูดได้ตามที่ได้ผ่านมาแล้วนั้นการต่อสู้กับกิเลสถ้าเราไม่ได้ผ่านมาแล้วก่อนนี้ลําบากมากจึงต้องอาศัยผู้ที่ได้ผ่านมาเช่นครูบาอาจารย์ท่านเคยปฏิบัติ เป็นที่เข้าใจมาเรียบร้อยแล้วท่านสอนเราจุกไหนถูกถูกถูกให้เรายึดหลักนั้นไว้อย่าให้เคลื่อนค้าศนี่เป็นหลักสาคัญคือเดียวแล้วในโลกอันนี้ไม่มีอันใดที่สิ่งใดที่จะลําบากที่จะต่อสู้ยากยิ่งกว่ากิเลสเพราะมันกิเลสมันเหนือเราอยู่แล้วโดยปกติทําเราเพิ่จะมีมามันจะไปเหนือกิเลสได้ยังไงจึงต้อง ผิดขึ้นเรื่อยๆความเพียรผึกขึ้นจนเหนือทิเลพติปัญญาผึกขึ้นให้เหนือกิเล็เมื่อเหนือแล้วกิ่เล็ก็ลดลงไปลดลงไปทีงแรกนี่เดินไปที่ตรงไหนถ้าหว่าเราเชียบทางด้านวัตถุมีแต่กวางแฝงหนามเต็มไปหมดหาจนหาที่เหยียบย่างเท้าลงไปไม่ได้นั่นแหละมันเต็มไปด้วยกวาง้ฝงนามคือกิเล็ความเพียรจะในถ้าได้อียบทตดก็ตามมันมีแต่กิเล็กส่องสูงตลอดเวลาจนหาที่ย่างทำลงไปไม่ได้นั่น เราจะทราบได้เมื่อเวลาสติปัญญามันทันกันพอทันเขาแล้วเราก็รู้ลึกของกันแล้วกันที่นี่มีวิธีหลบดีดตีกตัวและต่อสู้กันด้วยอุบายต่างๆได้เป็นลำดับๆจนกระทั่งถึงสติปัญญาเครื่อไกแล้วที่นี่กิเลสหมอบหมอบนั้นไม่ใจ่อะไรเป็นอุบายของมันเหมือนกันนะเอที่กิเลสหมอบนั้นน่ะมันอุบายของมันมันหลบหักไม่ใช่มันหมอบกลัวเรานะมันหลบหากของมัน แล้วคุ้ยเคี่ยนี่ก็เป็นงานอันหนึ่งของสติปัญญาขั้นนี้ขั้นอัตโนมัติขั้นหมุนตัวไปเองไม่อยู่ไม่อยู่เฉยมันหมุนเพมันมันหมุนคุ้ยเคี่ยขุดค้นหาเนี่นนะเหมือนกับพี่เดียร์มันสิ้นไปเลยหนึ่งมันไม่ได้สิ้นนะถ้าเรายังไม่ประกาศเป็นฐานที่จกัวขึ้นมาแล้วเราจะลงใจไม่ได้เรืร่อิเดียรแหลมขคมขนาดนั้นเฉพาะ อ, อย่างยิ่งราคะเกินทั้งพันมาก มีเคยปฏิบัติมาแล้วมอบลาบที่เดียจกระทั่งเกิดความกล้าหารชาญชัยเอาวไม่ต้องอะหล่ะจะให้จุดในจุดผู้อ ะ, ะ, ะอย่างสําคัญสาคัญขนาดเดินเป็นตักอยงนี่น่ะเราจะเดินบุกเข้าไปนี้ไม่มีความกํำลัดยินดีอะไรเล ย, เลยนู่นที่มันอานขนาะนั้นนั่นมันไม่ใช่หมดน้มาชิมนะเออมันกล้าหารนั่น่มนะมันาหานนลบฉากเราไม่รู้มเมื่อเราพลิกไปพลิกมาหา ถ้าหาทางหลายตลบทบตวนด้วยอุบายปัญญาของเรามันโผล่ขึ้นมาจนได้ฟาดกันลงไปะเอาถ้ามันลงจริงจังมันแล้วมันทดลองกันทำไมกล้าหาประโยชน์อะไรนัดความก้าหารมันก็ผิดนัดแต่มันถูกในขั้นนั้นเวลาผ่านไปแล้วรูกความก้าหารก็เป็นบ้าอันหนึ่งเหมือนกันเบ้าครัวแล้วก็บ้ากล้าอบ้ากินดีแล้วบ้ายินร้ายเหมือนมันเป็นคู่กันเน่ย เพราะมันเต็มที่ถึงมันเป็นส Whoa, ันทิฏิโกเต็มตัวแล้วเขาลองอะไรหนักหน่านอนจึงตายตัวมันรู้พระพุทธเจ้าบอกแล้วสันรับแรงไว้แล้วว่าสันทิฏิโกสันทิฏิโกสันทิฏโกฟังด้ประจักเดิมดับก็จักเต็มที่ก็ต้องเต็มที่ถึงขั้นทําเต็มที่ต้องเต็มที่อ๋อที่จริงจริงจริงฟามันตะบ้านหันแหลมต่าง ปัญญาแหละสคัญให้ใช้เสมอนะปัญญาปัญญากับสมาธิเป็นคู่เคียงกันไปอยากคอยเพระว่าสมาธิเท่านั้นที่านี้ถึงจะใช้ปัญญาสมาธิมีเท่าไหร่ก็เป็นสมาธิเท่านั้นไม่เกิดปัญญาได้เลยแล้วเคยเป็นมาแล้วก้าพูดเต็มที่ติดสมาธิมากี่ปีจนจากสมาธิเป็นนักโผล่พานเลยด้า น, นมันหลงขนาดไหนแต่พอเอาแยกออกมาจากสมาธิมาเดินถึงด้านปัญญานี่นมันหมุนติ้วเลยเพราะมันอื่นตัวแล้วมีกิจ มันยุ่งกับอะไรถ้ามันนอนจมอยู่เหมือนหมูเลยนี่พอปัญญาออกแล้วมันก็กล้ามมันด้ยิ่งถึงขั้นละเอียดสุดนะเนาะมันยิ่งละเอียดเหมือนกับน้ำซับน้ำซุนที่อยปัญญาก็แบบนั้นเรื่องอวิชามันก็แบบนั้นเหมือนกันหลบหากันอยู่ใกล้ๆไม่ไกละอยู่ในจิตรวงเดียวกันนั่นแหละมันหลงได้นั่นแหละเราเต็มขื่อแล้วมันก็ ออ๊ยดับก็ท่านเหมืนยาเสียงลมดังมากโอ๊ยเสียงฝนดังมากดับเชี